ซึ่งมีอยู่ในท่านในขันไม่มีอยู่ในที่ใดแหละเป็นสําคัญไม่อยู่ที่เราเราเรียนเรื่องเหล่านี้รู้ตามความจริงของมันทุกแหนทุกมุมแล้วเราก็ปล่อยเนี่ยจนกระทั่งรู้เต็มภูมิของจิตแล้วก็เรียกว่ากลางตาขายไว้หมด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 ความทุกข์เกิดมาในประเภทหนึ่งอีกยำบิดขังนั้นปฏิตำผิดบุคคลปรารถนาจึงไม่ทรงหวังนั้นเกิดความทุกข์นั่นคือความบกพร่องจึงต้องปรารถนาจึงต้องการเมื่อไม่ได้ก็ามาตามใจหวังก็เกิดทุกข์ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นประเภทหนึ่งเพราะเหตุไรจึงต้องเป็นนั้นเพราะเรื่องของดุลยเลสความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นด้วยความอยาก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 เต็มที่กินดองหนึ่งเต็มบกริเปเป็นปนปนป็นเรณความบกพ่องทั้งสองอย่างนี้จะทรงตัวได้ต่างกันอยู่มากตวงหนึ่งทรงตัวไม่ได้ต้องเอ็นต้องเอียงต้องวุ่นต้องวายหานั้นมาเกาะไอมาอาศัยยุ่งไปหมดแทนที่จะสะดวกสบายตามที่อาศัยนั้นอาศัยนี้เลยกลับเป็นทุกข์เป็นลำบากเพราะจิตนี้เป็นความบกพ่องอยู่แล้วจะอาศัยอะไรมันก็บกพร่องในตัวของมันอยู่นั่นแหละ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 อ่านถึงเรื่องปัญญาอ่านท่านหมดฉลาดทั้งนั้นฉลาดอย่างนี้แล้วก็อ่านชื่อของความฉลาดแต่ใจของเรามันก็โง่นี่อ่านมรรคอ่านผลอ่านสวรรค์อ่นิพพานล้วอ่านกันได้ทั้งนั้นแหละแต่เมื่อตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพพานจริงๆมันไม่ปรากฏมันไม่สัมผัสภายในใจิตใจมันก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมนี่เพรานั้นค้นหาตัวให้เจอได้ชื่อแล้วไม่ได้ตัวมันก็เช่นเดียวกับโจรกับมารนั่นเอ เสือร้ากี่คนก็ตามกี่ตัวก็ตามมันเที่ยวโฉกเที่ยวรักเที่ยวป่นเจี่สะดมบ้านเมืองให้เกิดความเดือดร้อนมุ่งมายอยู่เราได้ชื่อมันจะมาทั้งโคดมันมามันก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมันคงโฉกคงรักคงป่นงสะมอยู่ตามเดิมนอกจากจะได้ตัวมันมาเสียเท่านั้นบ้านเมืองจะร่มเย็นอันนี้เราได้แต่ชื่อของมรรคของผลของสวรรค์นิพพานของสมาธิของปัญญาและได้แต่ชื่อของชีเล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 ผลของการภาวนาทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นแล้ววิธีทำทําอย่างไรจรึงจะมีความสงบร่มเย็นเราก็ศึกษาวิธีทำเช่นกําหนดพุดโธทําโมหรือสังคมอดใดก็ตามกําหนดอนาปาให้จิก็ตามแล้วแต่จริตจิตใจของเราที่ชอบเรานํามามากํากับรักษาจิตใจของเราซึ่งมันเคยสายแสไปเกาะนั่นเกาะนี้ที่นี้ให้เกาะทำคือคําบวิกรรมภาวนาด้วยความมีสติตั้งอยู่กับจุดนั้นไม่ยอมให้จิตสายแสยไปน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 ความสบายก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่เราหเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวความสงบของจิตด้วยเห็นความสุขที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นด้วยนี่เราจะเรียกว่าจิตของเาเป็นสมาธิก็ได้ไม่เรียกก็ได้จิตมีความสงบเยือกเย็ยนอยู่ภายในจิตใจคือจิตที่ได้หลักฐานเนื้ออาหารที่เหมาะสมอย่จิตใจย่อมไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่อาหารพิษเหมือนอาหารที่เราเคย คิดเคยปรุงเคยแต่งทั้งหลายนั้นส่วนหน้เป็นอาหารพริกคิดเอามาเท่าไหร่ก็มาเผาลนตนเองให้เกิดความเดือดร้อนมนบายและสั่มแสายอย่างนั้นบางทีจะนอนไม่หลับเพราะความคิดมากแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีดับรู้แต่ว่าวิธีก่ออย่างก่อไฟแต่วิธีดับไม่รู้มีรู้แต่วิธีคิดวิธีปรุงยุ่งไปหมดแต่วิธีที่ทจะระงับดับความคิดควาปรุงตนเพื่อความสงบนั้นไม่รู้นั่นดิทุกมันจึงตามมาอยู่เรื่อยๆบ่นเท่าไหร่มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์หาว่าความบ่นนี้มันสําเร็จประโยชน์ ทุกได้ดับไปแล้วใครก็บ่นได้ทั้งนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องมาพูดปฏิบัติอันใดทั้งหมดบ่นให้ทุกพิรุธิบภายไปหมดนะั่นคนจะได้มีแต่ความสุข ก, กันทั้งโลกเพราะบ่นได้ด้วยกันแต่นี่ไม่ไมสําเร็จประโยชน์เพราะการบน่นเฉยเราต้องทําตามหลักที่ท่านสอนวิธีทําก็ลังที่อธิบายแล้วนี่ขั้นที่ว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตจะมีความสงบท่านก็สอนอย่างนี้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 อยู่ด้วยการรู้ลมลมละเอียดก็ทราบแต่จะไปตรุงว่ามันจะละเอียดไปแค่ไหนอีกต่อไปให้ทราบอยู่เพียงเท่านั้นแล้วก็จะลมละเอียดใจก็ละเอียดและสุขก็ค่อยปรากฏมีขึ้นมาเองอี่ทา่านนว่าผู้บายที่ถูกต้องถ้าผู้กําหนดพุดโทโธหรือทําบทได้ก็ตามก็ให้รู้อยู่กับทำบทนั้นเท่านั้นกิจเจอย่างก็สู่ความสงบ พอจิตสงบแล้วเย็นได้หมดเกิดความแปลกประหลาดเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาแล้วบัดนี้นะแต่ก่อนมันไม่คิดว่าเรามีคุณค่าอะไรนอ ก, นอกจากความเสศสันเฉยถ้าหากว่ามีคิดว่ามีก็เป็นความเสศสันยเฉยพอความสงบได้ปรากฏขึ้นภายในจิตจะเห็นดวงจิตเด่นชัดแล้วเป็นความสุขเกิดขึ้นในจุดความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นแหละเป็นจุดที่มีคุณค่าเป็นจุด ท, ที่มีราคา อ๋อเรามีคุณค่าเรามีราคามีความแปลกประหลาดในใจเกิดความสนใจขึ้นในจุดนั้นแล้วพยายามบำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดั บ, บจุดนี้ยิ่งจะเด่นขึ้นไปเป็นความมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองแม้ใครไม่เห็นก็ตามเป็นความกระยิบอยู่ภายใจิตเบิกอิงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเยน็ยนเย็นภายใจิตนี้ผิดกับเย็นทั้งหลายเบาไปหมดร่างกายก็เบา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 โดยที่ไม่เกิดความจําปันอะไรเลยไม่ทำเป็นในตัวเองว่าเป็นความจําคัญขึ้นมาภายในตัวเองด้วยอํานาจแห่งธรรมคือความสงบของใจใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใจยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยหลักธรรมชาติแล้วเท่าที่ใจไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรก็เพราะสิ่งไม่มีคุณค่านั้นแลมันครอบงำจิตจนกลายเป็นจิตเหล้ยวไหลไปหมดตัวก็เลยกลายเป็นคนเล้ยวไหลคนไม่มีวาสนาไรืว่าอย่างนั้นละ่ะต้หนิเจ้าของไปเรื่อยๆ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 ไม่ค่อยชุนเฉียวอย่างง่ายๆนี่อำนาจแห่งความสงบทั้งใจอำนาจแห่งความสุขทั้งใจที่มีอาหารดื่มทำคนให้มีความเชื่องทำจิตใจให้มีความเชื่อมต่อเหตุต่อผลต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ดียิ่งก้าขอทางด้านปัญญาโดยแล้วยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพลวพราวพิจารณาอะไรพ้นคว้าอะไรเห็นได้ชัดเจน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 ความเกิดก็เป็นทุกข์ในขณะที่เกิดขึ้นมาทีแรกแต่เราไม่รู้เฉยๆมนันอดตายถึงได้ยังเป็นมนุษย์มานั่นอเออออกมาจากช่องแคบๆทาไมจะไม่สลบสลายไปคนเราแต่เราไม่ได้เคยคิดเรามองข้ามไปเสียยิ่งต้องการแต่ได้เกิดจะเกิด <Hey. S 1> ความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เกิดนั้นเราไม่ทราบทาั้งทั้งที่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจึงจึงไม่กลัวจึงไม่จึงกลัวแต่แต่ตายเกิดไม่กลัว ทางเวลาจะพิจารณาให้เสมอต้นเสมอปลายโดยเป็นอดเป็นทันแล้วคือนั่นแหลเป็นต้นเหตุแห่งความทุกขมาก่อนแล้วและจะส่งผลไปถึงความตาย่ะคุกจะต้องไปเป็นในระยะนั้นอีกมากมายนี่นี่เรื่องปัญญาพิจารณาอย่างนี้แหมก็แก่ไปด้วยกันนั้นแหละถึงกระต้นไม้มันก็ยังแก่แต่ไม่ทราบความหมายของมันว่าแก่อย่บ้างเรานี่ทราบแก่ยังไงแล้วทุกข์ก็แก่ไปด้วยอืมทุกข์ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน คนแก่มากอะไรทุกข์ยิ่งแก่ขึ้นโดยลำดับลาดับรีไมด่มดีแบกขันไปไม่ไหวมันทุกข์มันลำบากมากนั่นนี่ปัญญาแกเจ็บตายโลกะา่านี่มนันเป็นโลกอันนี้เต็มไปด้วยป่าช้ามีช่องไหน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 เป็นอยู่ตลอดเวลาเรารับความผิดชอบเลารับความผิดชอบตามฐานะที่ได้อาศัยกันมาโดยตามหลักธรรมชาติของมันอย่างหนึง่งต่างหากแต่ไม่ได้ไปยึดไปถือให้เกิดความสําคัญมั่นหมายจนกระทั่งเกิดความหนักภายในจิตใจของตนเองที่เหนือกว่ากิเลสภาระอันหนักก็คืออุปาทานรู้เท่าทันีปัญญาแยกดูให้เห็นลงถ่านลงขันเวลานี้มันเป็นอยู่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 นี่แหละสาเหตุที่จะให้เราเลยสร้างความดีแล้วก็สร้างตามหลักของธรมธรมที่ท่านสอนไว้เราเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้ายากลําบากล้วก็ทําดังที่ท่านทัง้งหลายที่อุตส่าห์มาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็กายแสนใกายทํามามาได้ก็มาด้วยความเชื่อความน้ำใสมาด้วยความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อพระพุทธเจ้าท่านแหล่ลำบากแค่ไหนก็มาสละเป็นสละตายสละเวลาเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงการแล้วพร้อมเสมอที่จะเป็นไปตามความจําเป็นลึก เหตุการณ์นานๆเราก็มาได้ถ้ า, ากว่าเราไม่ฉลาดอย่างนี้มันมาไม่ได้นะคนเราใครจะไม่รกมักไม่สงวนชีวิตของตัวเองใครจะไม่รกมักไม่สงวนของสมบัติเงินทอ ง, องของเสียไปแต่ละบาดแด้ระด่างเสียได้ทั้งนั้นเพราะเป็นเพราะเป็นสมบัติของเราแต่ทําไมเราถึงฉลาดได้ก็เพราะน้ําใจที่เชื่อต่อพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อตัวเองนี่แหละเราก็มาได้นี่พูดถึงเรื่องศรัทธาพูดถึงเรื่องปัญญาพิจานายากลําบากล้วก็ทําได้ไปได้มาได้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 นันขอให้พากั น, นพิจพิจารณาให้นบำเพ็ญอิตะภาวนาเป็นสําคัญสร้างกิจของเราให้มีสาระขึ้นจะเป็นที่อบอุ่มสบายจิตสบายใจการทําหน้าที่การงานอะไรก็ตามสมาธิภาวนาการบําเพ็ญคุณงารความดีนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานไดทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานให้มีความสมบูรณ์ให้มีความรอบคอบให้ถูกต้องในงานขึ้นโดยลำดับเพราะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่การบําเพ็ญ ทำจะเป็ น, น, น, นค่าสิบต่อนาทีการงานและผลประโยชน์ชนอื่นึงข อ, อยุติธรรมเทศนาเพียงเท่า น, นี้